ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาท่านผู้อยู่คาวยจรทั้งหลายวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องบุพกรรมของอกาฯาฯักสาวกซึ่งมีมาในเรื่องของสนชัยปรีภาชกทอต่อมาวานเลยแล้วเลยทีเดียวในขณะเมื่อองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ทรงสเสด็จไปพบปนนปอุปกาชีวกในขณะนั้นก็ปรากฏว่าอุปการชีวกเห็นพระฉวีวันพระองค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสัญดาสมาสพุทธเจา้ามีความผ่องใสมากแต่ตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระพายเจ้าจะทรงเปล่งฉับพรางสีด้วย เพื่อว่าตามปกติพระพุทธจเจ้าก็มีรูปร่างสวยเพื่อการสามสิบสองของพระองค์ครบถ้วนแลวก็มีลักษณะพิเศษ เ, เล็กๆในน้อยที่เรียกว่านกพญจนะเรียกว่าอนุลักษณะคือลักษณะเล็กๆในน้อยอีกแปดสิบอย่างไม่บกพร่องจัดว่าเป็นบรุษที่มีความงามมากที่สุด แต่เราจะถือว่าเอานางงามโลกนางงามจักรวาลงามนางนางงามประจำประเทศเอาเข้าไปเทียบกับลักษณะของพระองค์ก็ไม่มีทางจะทาบติดในจริยาขององค์งคงคงคสมเด็จพระธรรมส า, ามิตรการจะเยี่ยงกลายก็น่าเคารพน่าเริมใสพุ่มแรดู ง, งามฉคนั้นอุก า, าชาีวกมีความสงสัยท่านเป็นคนแก่ เอามือป้องหน้าดูลักษณะจนชื่นใจแล้วก็ถามว่าท่านเป็นสาวกของใครใครเป็นครูบาอาจารย์สอนท่านตั้งสุตตะวามาองสมเด็จพระวิชิตมานบรมศสัสดาได้ทรงสนับแล้วสมเด็จพระบัณฑีแก้วจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดว่าโพบุริสะดูก่อนบุรุษผู้เจเริญ เราไม่ได้เป็นสาวกของใครเราไม่ใช่ศิษย์ของใครเราไม่ได้ชอบใจธรรมะคำสอนของใครเราเป็นสพรพพินยูหรือว่าเป็นสยามภูเป็นผู้จัดจเสรู้เองพอพูดเท่านี้ธนบุกาชีวกกส็สัมศิษะท่านบอกว่าเป็นไปไม่ได้ คนที่จะไม่มีครูสอนจะได้จัดสรรเองนั้นเป็นไปไม่ได้ท่านไม่เชื่อท่านก็เลยหลีกหนีไปเดินเลี่ยงไปก็ปรากฏว่าตลอดจนกระทั่งสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสดาสมมาสพัพพธเจ้าประกาศพระศาสนาสิ้นเวลาสี่สิบห้าปีองค์สมเด็จพระจินดาสีก็ไม่เคยพบกับ อ, อุปการชีวกอีก นี่ก็ลองคิดดูกันแล้วกันการอิอองสมเด็จพระพิชิตามารอาศัยอำนาจพระพุทธญาณทรงทราบว่าคนในโลกนี้มีอยู่สี่พวกคือหนึ่งอุคติตันยูคนมีปัญญามากมีบารมีเต็มสแสดงพระธรรมเทศนาเต่เพียงหัวข้อก็เข้าใจบรรลุมรรคผลได้ วิปจิจันยูตันยูคนที่มีปัญญาสามนิดหนึ่งฉันแดงทำเดียวข้อไม่เข้าใจอธิบายแล้วก็เข้าใจได้เนยยะบุคคลประเภทนี้สอนให้เป็นพระอริยเจ้าไม่ได้แต่วา่าสอนให้มีความเข้าใจในการเคารพในพระคุณพระนัธรไตรรักษาสาินบริสุทธิ์อันนี้ทำได้เรียกว่าสาธุชนเรียกว่ากณญานชน ปะทะป ร, าาปรามะคนที่มีบทบาทมากคนประเภทนี้สอนเท่าไรก็ไม่มีผ ล, ผลเป็นอันวา่าอันดับแรกก่อนที่จะพบปัญญากีรุสีทั้งห้าสมเด็จพระปรมศาสสเสนาก็ทรงพบกับประทะป ร, าาปรามะเขา้าคือประกาชีพก <c oughs> เป็นอันวา่าท่านมี กำไรมากกว่าพวกเราที่พบองสมเด็จโตสัมมาสัพทธเจ้าก่อนคนอื่นแต่ได้ ว, ว่าหาดื่มนำพระธรรมอันชุ่มชื่นของจิตหม่ท่านเดินหลีกไปหน้าเสียนได้ความดีของท่านนี่เล่าประวัติกันต่อไปว่าในวันนั้นเป็นวันอาสาระหะปุณณมีดิธีเพ่งกลางเดือนแปด องสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงสเด็จถึงป่าที่อยู่ของพิษุ ป, ปัญญวคีคือฤาษีทั้งห้ามีดัโกนัญญะธันวปปะทันพัิยะทัมหานามทานอัศชิในป่ายสิปันนมฤรทายวันทรงทําให้บรรดาผีสุทธนหลายปัญญวิคีทั้งหลายเหล่า น, านั้น ซึ่งเรียก ร, บราบพระองค์ในตอนต้นคงขอย้อนคือว่าในอารมพะทที่ท่านไม่มีไม่มีหลายอย่างเพราะเรื่องย่อของท่านขอย้อนไปสนิดหนึ่งคือนับตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสวยพะกยาหารแล้วปัญญาวัคคราะห์สีทั้งห้านี่คิดว่าสิทธฐาราชภู ม, มนัน เห็นจะไม่มีโอกาสบรรลุอวิเศษสัมมาสัมโพธิญาณเราเป็นผูม้มากมากในอาหารพากันหลีกไปขั้นเมื่อเห็นองสมเด็จไปจอมใจ ส, สมเด็จมาจึงพากันพูดว่านี่พระสิทธาราชกุมาร น, นี่เขาจะอยู่คนเดียวไม่ไหวไม่มีใครเป็นเพื่อนช่วยปฏิบัติเขาจะหาเรามาเป็นผู้ปฏิบัติ ฉะนั้นเวลาที่พวกเธอมาเมาื่อเธอมาถึงแล้วผู้เอาอย่าลุกลับอย่าผู้อัสนะอย่ารับพาชนะของเธอและจงอย่าแสดงความเคารพนี่เขาไหนกันมาก่อนเมื่อเห็นองค์สมเด็จพระจินวา์เดิดไกลครั้อนมาองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงเสด็จเข้าไปใกล้ไปถึงลืมหมดทําทุกอย่างอย่างที่เคยปฏิบัติมาลุกรับผู้อัศนะ รับภาชนะต่างๆแต่ว่าใช้วาจาไม่เป็นการแสดงความเคารพทรงเรียกพระองค์ด้วยท้ยคําที่ไม่สมควรให้เรียกว่าเรียกชื่อเพื่แทนที่จะเรียกว่าพระคุณเจา้าพระท่นานเจ้าลุงพี่ลุงหน้าอะไรก็ไม่เรียกเรียกชื่อไอเรียกชื่อแสดงว่าเป็นคนเสมอกัน แต่องค์สมเด็จพระจงทรงท่านก็ทรงตักเตือนถามว่าเธอทั้งหลายเคยได้ยินบ้างหรือเปล่าว่าเราเคยกล่าวว่าเราเคยบรรลุอภิเศษสมาสมธิโพธิญาณในการก่อนแต่เวลานี้เราบอกเธอแล้วว่าเราได้บรรลุแล้วคําเช่นนี้เคยเคยือเธอเคยได้ยินไหม มันดาปันเสปัญญะคีรีสีทั้งห้านึกขึ้นมาได้ว่าองคนอะสิทธัตถะท่านนี้ไม่เคยพูดอย่างนี้เลยก็เกิดความแน่ใจว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรสมรุปอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแกวก่อนที่จะแสดงพระธรรมเทศนายิงได้แนะตำปัญญะคีรีสีทั้งห้าว่าต่อนี้ไปตั้งใจเราจะเทศให้ฟัง ตามพระบาลีทังกล่าวว่าเมื่อจะยังพรหมโลกสิบแปโกดพรหมสิบแปโกดมีพระอัญญาโกณยะเป็นประมุขให้ดื่มน้ำอมะตะอมะตะนี่แปลว่าไม่ตายคือธรรมะนี่เป็นของไม่ตายเป็นความดีจึงสองสแสดงพระธรรมจักรกับประวัตนาสูตร ทรงมีธรรมจักอันประเสริฐให้เป็นไปแล้วสำหรับธรรมจักนี่ผมจะไม่ว่าในที่นี้ยาวมากแค่เทกันก็ถ้าเท่กันแบบก็คุยกันแบบนี้ก็หลายคืนจบแร่กล่าวว่าทรงทางแสดงว่าธรรมจักอันประเสริฐให้เป็นไปแล้วในดีทีที่ห้าแห่งปัก หมายความมันเป็นปักที่ห้าที่พระองค์ทรงมรุลลอบิเศษสัมมาสัมโพธิญาณปักก็คืออาทิตย์ทรงทำให้มันดาเวีปัญญัติคีฤษีทั้งห้าทั้งหมดให้ตั้งอยู่ในอาราธตผลในวันเดียวกันความจริงตามพระบาลีตอนต้นประเดี๋วท่านะเือ พระองค์สมเด็จพระทศพลเทครั้งแรกก็ปรากฏว่าท่านโกนัญญะได้เป็นประสูดาบันก่อนคือมีดวงตาเห็นธรรมตอนนี้ปรากฏพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความพลื้มใจเปล่งวาจาว่าอญญาสิวัตโภโกนัญโยอญยาสิวัตโภขโกนัญโยซึงแปลเป็นใจความว่าโกนัญญะได้รู้แล้วหนอโกนยโยอนยาได้รู้แล้วหนอแเรื่ น, นี้แต่ว่าอารามประ บ, บุของท่านไม่มี แต่มีในที่อื่นเดี๋ยวห้องกลัวท่านอยฝาือนะเมื่อในวันแรกเทศให้ปัญกันแรกเทศให้ปัญวาบกีฤษีทั้งห้าังท่านหัวหน้าใหญ่ได้โซดาบันท่านนางหลเหล่านั้นเขาถึงสนานคมต่อมาก็เทศปะกินกะจงทั้งทุกท่านบรรลุอรหันต์ทั้งหมดร้อมกันในวันเดียวกัน แล้วก็ทรงเห็นอุปนิสัยของยัสสากนลบุตรแล้วองสมเด็จพระบัทีแก้วจึงได้ทรงเสด็จไปโปรดแต่ว่าก่อนที่จะเสด็จไปโปรดยัสสากนลบุตรได้ทรงพระอรหันต์ทั้งห้าท่านคือปัญญวคีเมื่อเป็นอรหันต์แล้วก็ขอบวชท่านก็ทรงใช้คํา่าเอหิพิโกชื่อแปลเป็นใจความว่าเจ้าจงเป็นพิสมาเถิด เพียงเท่านี้ผ้าไตรจีวรสำเร็จเป็นฤทิ์ก็มาสมกายท่านต่อไปเห็นอุบลสัสเขายัดสัคุณบุตรจัดยิงทรงสำเร็จไปนั้ก็ในที่สุดก็เทศให้ยัดสะคุณบุตรได้บรรลุพระโสดาปติผลในตอนแรกตอนหลังมิดามาตามเทศซ้ำอีกทีหนึ่ง โดยอนุปพฤกถาหมา่ ก, กันเทศท่านยัสสกากรบุตรไม่ใช่ธรรมจักรเทศอนุปพฤกถาพอจบท่านได้ประสูดาบันพอท่านพ่อมาตามพระพุทธเจ้าเทศซ้ำอีกครั้งหนึ่นงเทศกันเดียวกันพ่อได้บรรลุประสูดาบันแต่พระยัสสได้บรู้ลุอราหารันต์หลังจากนั้นก็เดินต่อไป หลังจากนั้นก็มีเพื่อนของทยศทาอีส5าสิบสี่คนมาฟังเทศเดวรุณาัตผลของบรรฑรญชาอุปสมบทโรงก็ให้อุปสมบทแล้วท่านผู้นี้ทั้งหมดปรากฏว่าเป็นอรหันต์ที่เล่ากันโดยย่อนะประวัติของท่านผู้นี้ในยาวนี่จะรูท้ทีหลังพระมพ ม, มบาลีกล่าวต่อไปว่าเมื่อพระอราหันต์เกิดขึ้นในโลกหกสิบเอ็ดองค์ คือว่าคณะของท่านยัตสระห้าสิบห้าปัญญากีห้าเป็นห้าสิบองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกหนึ่งเป็นหกสิบเอ็ดถ้าเป็นหกสิบก eh? uh, ็ห้าส <ız. S 2> <ala>. ิบห้าสิบสี่ห้าสิบสี่กับห้าเป็นเก้าและพระยัตสะอีกหนึ่งเป็นหกสิบและพุทธเจ้าอีกองหนึ่งเป็นหกสิบเอ็ด้กล่าวด้ว ตอบไปว่าด้วยบริการอย่างนี้สมเด็จพระจินทสีสมเด็จไปจามจรรษาระวรนาแล้วทรงส่งบรรดาพิสุหกสิบรูปไปในทิศทางหลายอ๋อประทานโทษเมื่อกี้ผมเผลอไปเพราะวันนั้นเป็นวันเข้าวรรษาอยู่ด้วยกันพร้อมกันในวรรษาคือพระสาวกหกสิบพระพุทธเจ้าหนึ่งไปรอรหันหกสิรูป พระออกพารษาก็ส่งพระทั้งหกสิบลูกไปด้วยพระพุทธธำรัสว่าพิคเวดูก่อนพิสุทธทั้งหลายพวกเธอจองเที่ยวจาริกไปเถิดดังนี้แต่ว่าอย่าไปอย่าไปในที่เดียวกันให้แยกกันไปช่วยกันรากาประกาศพศาสนานี่กา ร, รากาประกาศพศาสนาในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านไม่ไดส่งเสียกันดาษไปท่านส่งพระอาหารหันไปท่านนี้ยังไม่ได้อารหัแต่ผลองส์สมเด็จพระทศพนไม่เคยส่งใครไปประกาศระศาสนาแต่ ส, ส่งเสียกันดาษไปผมว่าไม่มีผลเอาลราคุยกันต่อไปส่วนองส์สมเด็จพระทศพล ก็ทรงสเสด็จไปโปรดอุลุเวลาก็สเสด็จไปอย่างอุลุเวลาเวลาประเทศในระหว่างทางได้ทรงแนะนำพัฒตะวคีกุมารสามสิบคนที่ราป่ากับป่าสิกวันบรรดาพัตตะวคีกุมารทั้งหลายเหล่านั้นรวมสามสิบคนด้วยกันอย่างตำ่ำทั้งหมดก็ได้ประสูตดาบันไม่อย่างตำ่ำ อย่างสูงเห็นจะเป็นอรหันต์สูงกว่าเขาทั้งหมดก็ได้เป็นพระอนาคามีอ้อไม่ถึงอรหันต์นะทั้งสามสิบคนีนอย่างต่ำเป็นประสูดาบันนิเทศจบเดียวอย่างสูงก็เป็นพระอนาคามีแล้วอง์สมเด็จพระจินทรสีก็ทรงให้พระธรรมคีทั้งหมดนั้นบันใบชาโดยเอหิติคุ อย่างเดียวกันนึกเอรงส่งไปในทิศทางหลาย น, นี่เป็นอ น, นว่าพพระพุทธเจ้าสง่งถ้าอาท่าระยะไปช่วยปโ ป, ปรดเพื่อคนอื่นเมื่อกี้ผมว่าไม่ส่งพระหรหันนี่ไม่จริงฮะตอนนั้นไม่จริงเพราะตำราไม่มีแต่ผม ก, ก็ดูไปนึกขึ้นมาได้ว่าอ๋อท่านสง่งตั้งแต่พระสูดาบันขึ้นไปผม ก, ก็ถือว่าใช้ได้เป็นระยะแรก แล้ต่อมาส่วนพระองค์เองก็เสด็จไปอุรุเวลประเทศทรงสแสดงปาฏิหาริย์สามพันห้าร้อยอย่างแนะนำชนินสามพี่น้องซึ่งมีชนินพันคนเป็นบริวารมีอุรุเวลกับสกเป็นต้นผู้เป็นพี่ชายใหญ่ให้ได้บรรยชายเอหิพิโคประสมทาเช่นเดียวกันคือเป็นอนาารทั้งหมด ต้งความว่าท่านแช่ ด, ดินทั้งสามพี่น้องพร้อมทั้งบริวารทั้งหมดเป็นอารหันต์หมดแล้วก็ให้ประชุมกันที่ข้ายาศิษฎประเทศตั้งทําเมื่อท่านทั้งหมดตั้งอยู่ในอาตผลแล้วหรือว่าการเทศโปรดปัรดาชดินทั้งหลายองค์สมเร็จพระจอมไตรบริมศสนไดใช้อทยาทิตตปฏิยาสูตรอย่างที่เรานำมาสวดกัน แต่สมัยนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สวดท่านเทศเพราเราสวยกันบางทีเราก็ไม่รู้เรื่องคนฟังก็ไม่รู้เรื่องแล้วมันจะไปจบกันได้ยังไงก็ให้มันรู้ไปเปน็นไดว่าหลังจากนั้นองสมเด็จพระทรงทันผู้แวดล้อมไปด้วยพระหันพันองนั้นเสนเด็จไปสู่พระราชตรีญานลัทธิวันใกล้แดนพระคนะครราชกฤห์ ด้วยทรงดำริว่าจะทรงเครื่องปฏิญาที่ถวายไว้แก่พระเจ้าพิมิสารเพราะว่าพระเจ้าพิมิสานได้กราวได้ขอถวายปฏิญาว่าทราองค์สมเด็จพระวิชิตมารได้ทรงบรรลุอวิเศษส ม, มาสัพปฏิญาแล้วคอยปโปรดทรองคอง์กร แต่ว an so ่าการมาในระหว่างทางองค์สมเด็จพระชินวรวรพบใครก็แสดงว่าธรรมทศชนาไปแต่ว่าตั้งใจจะมาพบพระเจ้าพิมิสารตามสัญญาเมื่อพบพระเจ้าพิมิสารทรงจัดพระธรรมทีชนะไเร่แด่พระราชาพระราชาผู้ทรงสุดดับอ๋อขอโทษเป็นอนุวาสมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมกระถามไพร่แด่พระราชา ประราชผู้ทรงสดาบข่าวว่าเวลานี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปแล้วเป็นนั้นว่าจริงที่ได้เขาตั้งใจในบาลีท่านลอ่อตรัสเขเลยว่า จ, จะไปหาพระเจ้าพิมีสารเพื่อเปลืองปฏิญานั้นเพื่อจะแสดงธรรมกถาแต่บาลีท่านบอกตรัสธรรมธรรมกถาแสดงพบ ก, กันแล้วแต่ความจริงยังไม่พบย่งยงเหมือนกันนะครับ ดูบาลีผมไม่ได้เตรียมมาก่อนนี่ามว่าตามแบบเดี่ยเ์ว่วากันพระราชาทรงทราบพร ะ, ร ะ, งะองค์สมเด็จพระจินวรเสด็จมาแล้วจกียงเสด็จไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบพิษแกว้วพร้อมด้วยพราหมณ์และกามบุตรีสิบสองน้าหดแตนบอกว่าหนาหดหนึ่งเท่ากับหนึ่งหมื่นคนสิบสองหน้าหดก็เท่ากับสิบสองหมื่นก็แสนสองหมืน พระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาให้พระราชากับพรหมและขาวัดีสิเอสนหุดคือหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นคนตั้งอยู่ในโสดาปฏิพั์อีกหนึ่งหมื่นคนให้ตั้งอยู่ในสระนาคมหมายเทพเก่งนะถ้าไม่เก่งก็ไม่ใช่พระพุทธเจา้าดูแล้วเนี่ยถึงจะไป ถ้าเห็นไม่เห็นว่าเขาจะมีผลอะไรพระองค์ก็ไม่ไปเพระมีาํานายพระพุทธญาณพิเศษต่อไปองค์สมเด็จพระบรมโลกกะเชศมีพระคุณอันท้าสกะมาราชทรงแปลงเพศมาเป็นมานพชมเชยแล้วสมเด็จพระบัทีแก้วก็สเสด็จเข้าสู่กรุงราชคกิดมหานครทรงทัทมพมภัตติกคือฉันพัตตาหารในพระราชนิเวศ ทรงรับการถวายพระเวรุวันมหาวิหารของพระราชาประทับอยู่ในพระเวรุวันนั้นพระสานีบุตรและพระโมคคัลลานะมีโอกาสเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระเวรุวันนั้นนี่เป็นธรรมบทของท่านนะแต่กล่าวว่าอนุปปุพกถาคือว่าจาที่กล่าวสืบเนื่องกัน ในเรื่องเขาภาษารีบุตรและขโมกขลานั้นมีดังต่อไปนี้วันนี้ฟังแล้วก็นึกนึกก็มั่งนะเป็นเรื่องรัดๆยังไม่ละเอียดตอนนี้เริ่มเข้าเรื่องละเอียดนะแท้กล่าวความว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ทรงอุบัติขึ้นในโลกแล้วนั่นและได้มีบ้านพราหมณ์สองตำบล คืออุปติสาขามหนึ่งโกลิตรามหนึ่งในที่ไม่ไกลกันคืออยู่ ใ, ใกล้ๆกับกรุงราชฤกษ์ในบ้านสองบ้านนั้นในบ้านที่นางพรามณีชื่อว่าสารีในอุปเสสนในอุปติสขามตั้งคันนางตั้งคันขึ้นมานางพรามณีแล้วก็นางพรามณีชื่อว่าโมคันลี ในโกนิตาคามก็ตั้งคันเหมือนกันพ่อแม่บา้านยังเขาเรียกว่าแม่บ้านแม่ตำบลแม่ตำบลสองแม่นีนมีตั้งคันพร้อมๆกันกล่าวว่าได้ยินว่าแต่กูลทั้งสองนั้นเป็นสหายกันเกี่ยวพันสืบเนื่องกันมาถึงเจ็ดชั่วชั่วระยะของแต่ละกูลพรามผู้เป็นสามี ได้ทําวิธีการบริหารครันกับพราหมณีทั้งสองก็ทําวิธีของพราหมนั่นแหละเวลาเขาท้องขึ้นมาก็าถือว่าลูกเขาเกิดมาเป็นมงคลเป็นคนใหญ่คนโตก็ทําวิธีกรรมแบบพรามณเขาทํากันแบบไหนบ้างท่านไมา่ได้บอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันคุยกันต่อไปก็ในวันเดียวกันนั่นเองเวลาที่ล่วงไปสิบเตือนครบ พระมณีทั้งสองก็คลอดบุตรนะฮะ่ากลัวกัจะตั้งท้องวันเดียวกันนะเวลาออกก็ออกวันเดียวกันโอ้โอหได้คลอดบุตรได้กันนั้นให้ชื่อลูกของเวลาในวันที่จะให้ชื่อลูกบรรดาพวกญาติมาประชุมกันแล้วพ่อใหญ่ของเลยสารีพระมณี ให้ชื่อลูกชายนางสารีพระมณีวอุปติสสะคือภาษารีบุตรเพราะเป็นบุตรแต่งเด็กคุณของนายบ้านในตำบลชื่อว่าอุปติอุปติสขามตั้งชื่อบุตรของนางมกอุกสาวของนางมกคลีพระมณีว่โกริตาเพราะเป็นบุตรของเด็กคุณนบ้านในตำบลโกลิตาขามนอกนี้ เักล่าต่อไปว่าเด็กทั้งสองนั้นเมื่อเวลาที่จะเริญขึ้นก็ได้เข้าไปเรียนศิลปะวิทยาที่เมืองตักศีราทุกอย่างด้วยกันพร้อมกันในเวลาไปสู่แม่น้ำหรือไปสวนเพื่อประโยชน์ในการเล่นอุปัติสามานพก็มีเสลี่ยงทองคำห้าร้อย หมายความมีสลรียงทองคําต้องห้าร้อยสเรี่งเป็นเครื่องแห่แหนแต่ความจริงเราได้สี่นึ่งเสเรียงขายก็คงรวยเนี่ยนี่ลูกเขาจะถีจริงๆไอ้ขายในสเรียงก็คือคันหามไม่ตั้งห้าร้อยกุริตามานลก็มีรถเทียมบดิมาชาในห้าร้อย 500, มือนกันแห่ไปอนี่ลูกเขาใหญ่จริงๆคนยัำเท่าสองมีมานลบเป็นบริวารอีกคนละห้าร้อย ในกรุงเลยจะคือมีมหระศพบนยอดภูเขาทุกปีนี่ถ้าว่าท่านเคยไปอินเดียแล้วก็จะเห็นว่าที่กรุงเลยจะคือมันมีเขาอยู่เขาหนึ่งไม่สูงนะักเป็นที่เที่ยวไปไปเที่ยวเล่นส บ, สบายวิทินารื่นรมแต่ ว, ว่าถ้าใครเขาจะชวนผมไปอินเดียอีกจะผมไม่ไปทางนี้เพราะอะไรเพราะผมกินข้าวเขาไม่ได้ไปแย่มาทีแล้ว ที่เราไปเป็นคนไทยแล้วก็ต้องกินข้าวไทยไปเล่นข้าวแขกข้าทีหนึ่งที่ไหนละ่ะที่ลังกาล่อไม่ลงกลืนไม่เข้าคายไม่ออกมันเหม็นกลิ่นเหม็นข่าวถึงแม้จะว่าจะพิจารณาเป็นอาหาเรปฏิโูลสัญญาก็ไปไม่ไหวเวลาได้นหน่อยเดียวนี่ไปยังไงกัน <c oughs> มันดาหมู่าได้ยกเตียงซ้อนเตียง หมายความไอเตียงเนี่ยมันต่ำชาวบ้านเขานั่งกันได้ก็ เ, เลยซ้อนขึ้นไปให้มันสูงเพื่อกุมาณนันสองนั้นที่ได้เที่ยวไปด้วยกันเองหมายความว่าเวลาจะเที่ยวไปนั่งในที่สูงๆมันจะได้เด่นเป็นเครื่องโชว์พ่อลูกก็เป็นลูกลกุมารหาเสถียีแล้วเป็นลูกคนในบ้านเวลานี้นก็น่ากลัวจะเป็นลูกกำนันและลูกในอำเภอเป็นต้นอาราบนดาท่านผู้เดาสาิสายสนิกนชน เป็นอันว่าวันนี้ไม่ได้เรื่องอะไรกันแน่เพราะว่ามองดูเวลาเลยหนึ่งนาทีถ้าเย่พูดไปมันก็ไม่มีอะไรจะดีพูดไม่ไหวเพรานั้นว่าสําหรับวันนี้เรื่องของท่านอากาสาวกทางสองก็ขอต้องยุติไว้แต่เพียงตร่นี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแดีบรนดาเพื่อนใสทําะฝ่ายทำอิกะพุทธดัตตั